นิดาณสจะปุชชาคาทายะะอัธวันน า, นาพรนานาความแห่งคำเริ่มต้นและคาถาทูลถามข้อ6คคำเริ่มต้นนั้นใดที่พระอาณนเถระเมื่อจะให้เหตุเกิดขึ้นแห่งมงคลสูตรโดยอำนาจแห่งคำถามแจ่มแจ้งกล่าวไว้แล้วปัดนี้ บัณฑิตพึงทราบอธิบายความของคำเริ่มต้นนั้นอย่างนี้ในคำเริ่มต้นนั้นมเมศัพท์ในคำว่าเอวังเมสุตังนี้มีความหมายเท่ากับศัพท์ว่าไม่หยาสุตังศัพท์มีความหมายเท่ากับศัพท์ว่าสโสตะดวาวระวิญญาณเอวังศัพท์มีความหมายเท่ากับศัพท์ว่า อาการนิทัศนะและอวทารณะจิงอยู่ด้วยเอวังสับที่มีความหมายเท่ากับศัพท์ว่าอาการนั่นพระเถระ ย, ย่อมแสดงว่าพระดารัสของพระบรมศาสดาเต็มไปด้วยในต่างๆลุ่มลึกโดยธรรมอัดเทศนาและปฏิเวท มีสภาวะที่สัตว์ทั้งมวลจะพึงกำหนดได้แน่นอนตามความเหมาะสมแก่ภาษาของตนของตนพระดํารัสนั้นใครจะสามารถรู้แจ้งโดยประการทุกอย่างได้ที่แท้แม่ข้าพระเจ้าก็ฟังมาแล้วโดยอาการอย่างหนึ่งคือทรงจำไว้ได้ด้วยวิถีแห่งโสตวิญญาณซึ่งมีวิญญาณจิต ที่เกิดทางโสตวิญญาณเป็นสภาวะนำโดยเอวังสั์ซึ่งมีความหมายเท่ากับสัพ์ว่านิทัศนะพระเถรย่มชี้แจงพระสูตรทั้งสิ้นที่พึงกล่าวในบรนี้จริงอยู่พระเถรนั้นเมื่อจะเปลื้องตนว่าข้าพเจ้าไม่ใช่สยัมภูพระสูตรนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทำให้แจ้ง จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าฟังมาแล้วอย่างนี้อธิบายว่าพระสูตรอย่างนี้คือนี้ได้แก่ที่กล่าวอยู่ข้าพเจ้าฟังมาแล้วด้วยเอวังสัพซึ่งมีความหมายเท่ากับสัพว่าอวทารณะพระเถ ร, ระย่อมแสดงว่าพระสูตรนั้นไม่หย่อนไม่ยิ่งโดยอัดหรือโดยพยัญชนะ เพิ่งเห็นอย่างนี้คือไม่เพิ่งเห็นโดยประการอื่นจริงอยู่พระเถรานั้นเมื่อจะแสดงกําลังความทรงจาของตนเมื่อจะยังความเป็นผู้ใคร่ฟังให้เกิดแก่เหล่าสัตว์จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าฟังมาแล้วอย่างนี้อธิบายว่าพระสูตรนั้นข้าพเจ้าฟังมาแล้วอย่างนี้คือ เช่นนี้นี่แหละ